ต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนตัวไมโครโฟนใหม่ตัวเครื่องขยายไมโครโฟนตัวเก่าพังไปแล้วมันพังง่ายจังพังเร็วมันมันอนิจจันิจนจะไม่เที่ยงมันเลยทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องวุ่นวายกับมัน ทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้ต้องหัดทําใจไว้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็เสียของบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้ของบางอย่างมันก็เปลี่ยนได้นั่นกันรจะเปลี่ยนช้าอย่างร่างกายเราก็เปลี่ยนได้แต่ช้าหน่อยพอเสียร่างกายนี้ไปก็อีกหน่อยก็กลับมาเกิดใหม่แต่ช้าหน่อย แล้ว ก, ก่อนจะมาเกิดก็ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนแล้วพอได้เวลาก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่การตายก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่การเกิดก็เหมือนกับการได้ร่างกายอันใหม่มันไม่ดีตรงที่มันทำให้เราทุกข์กันเวลาต้องเปลี่ยนแต่ละครั้งนี่มันทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้มันก็ไม่ทำให้เราเสียหลักเสียใจเพราะเราเรารู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นเหมือนกับของที่เราใช้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันจะต้องเสียเราก็เลยซื้อสำรองไว้มันก็ไม่เสียใจมาก ถ้าไ่ถ้าคิดว่ามันใช้แล้วไม่เสียเลยพอมันเสียมันก็เสียใจนะมันไม่มีอะไรมาสำรองเปลี่ยนพวกเราไม่รู้ว่าร่างกายเราก็เดี๋ยวก็ต้องเสียแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรามีร่างกายสำรองอยู่ถ้าเรารู้อย่างน้อยเราก็จะไม่เสียใจมากหรู้ว่าเดี๋ยวเรา ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เดี๋ยวไม่กี่กี่ปีก็ได้มาเกิดใหม่ถ้ามองในแง่ทางกิเลสมันก็ก็ดีก็อย่างน้อยยังมีร่างกายให้เปลี่ยนเรื่อ ย, อยถ้ามองแล้วความความจริงแล้วมันก็ไม่ดีเพราะว่าเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันไม่ดี มันทุกกันสู้ไม่มีร่างกายดีกว่าสู้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนมันเหมือนถ้าเราไม่ต้องถ่ายท่อสดเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเครื่องอนี้เราก็ต้องอย่าใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกาย ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนร่างกายร่างกายอันนี้ทางไปก็ปล่อยมันทางไปแต่ตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายกันอยู่เพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากเลื่มรสอยากนมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เลยต้องมีร่างกาย เวลาที่เราไม่ได้ลิมรส ด, ดมกลิ่นไม่ได้ดูรูปฟังเสียงแล้วเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวรู้สึกหมุดหงิดําคาญใจแต่พอเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเวลาเราอยู่บ้านนี้เรามักจะรู้สึกเบื่อแต่เวลาออกจากบ้านนี้รู้สึกโล่งอกโล่งใจ ได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปเห็นอะไรต่างๆนี่เป็นเพราะความอยากในใจของเราอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรถทำให้เราต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรถมาเสกอยู่ได้เหมือนกับเป็นยาเสพติดเหมือนกับบุหรี่โซลานี่ครับ รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันบุเร่มันก็มีรูปรูปของบุเร่เสียงของบุเร่กลิ่นของบุเร่เสียงก็เวลาเราจุดไม่ขีดจุดไฟแล้วก็สูดนั่นก็ได้ยินเสียงมันก็เป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นรสสุราก็เหมือนกันเเสบรูปของสุรา น้ำต้องใสดูแล้วน่ากินแล้วก็รถก็ต้องอถูกใจก็เสพรถแล้วก็เสพความรู้สึกที่มันไปซาบซาบในร่างกายทำให้เราร่างกายเรารู้สึกมีอ า, าการามึนเมาอันนี้ก็เป็นความอยาก ที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายกันถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้้เราก็ต้องเลือกเขาว่าเราจะเอาอย่างไรถ้าเรายังอยากจะมีความสุขจากการเสพโลกเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีร่างกายแล้นเราก็ต้องมา วุนวายกับการเลี้ยงดูร่างกายหาข้าว ห, หาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ยังต้องมาทุกขกับเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายหรือเราจะเอาแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะมีความสุขได้ นอกจากเสพด้วยเสียงกิน แ, แล้วยังมีวิธีดีออย่างที่เราเสพได้เสพแล้วให้ความสุขกับเราก็คือเสพความสงบความสงบของใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็จะเสพความสงบแล้วก็การเสพความสงบนี้มันเป็นความสุข ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรถแล้วก็เป็นการเสพที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรถขอให้มีสติเพียงอย่างเดียวมีสติควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรถชีวิตของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันจะคิดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถ ไม่รูปคนนั้นก็รูปคนนี้ไม่เสียงคนนั้นก็เสียงคนนี้ไม่รูปของอาหารก็รูปของขนมมันก็คิดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลึพะอยู่ตลอดเวลาพอคิดแล้วมันก็เกิดความอยากตามมาพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดอารมณ์หงุเหงิดตามามาอารมณ์เศร้าซ้อยหง่อยเหงาตามามา เวลาที่เราไม่มีความอยากนี่เราจะรู้สึกสบายช่วงไหนที่เราไม่อยากนี่เราอยู่บ้านได้แต่พอเกิดความอยากนี่มันอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ติดบ้านเพราะรู้สึกหงุดหียดลําคาญใจเศร้าซร้อยน้อยเงาอันนี้เป็นเป็นมุมที่ไม่ดีสําหรับการเสพรู้เสียงกิดนัดมีทั้งมุมสุขและมุมทุกข์ มุมสุขก็คือเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็มีความทุกข์ส่วนในทางการเสพความสงบนี้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหาลูกเสียงเกมรถ ไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายไม่ต้องมีร่างกายเพียงแต่เราต้องมีสติหรือปัญญาสองตัวนี้จะทำให้ใจสงบถ้าสติก็ทำใจให้สงบชั่วคราวถ้าปัญญาก็สามารถทำใจให้สงบอย่างถาวร สติจะหยุดจะกดความอยากไว้แต่ไม่สามารถทำลายความอยากได้แต่ปัญญานี้จะทาลายความอยากได้เพราะปัญญาจะเข้าไปถอนรากถอนโคนของความของความอยากคือความหลงความหลงที่คิดว่าการทำตามความอยากเราจะให้เรามีความสุขกันอยากได้อะไรพอเราได้มาก็เราก็รู้สึกดีใจกันมีความสุขกัน แต่เรามองไม่ลึกเราไม่มองขั้นต่อไปแล้วเวลาเราเสียมันไปแล้วเป็นยังไงพอเสียมันไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือผลที่เกิดจากการทำตามความอยากทุกครั้งเพราะของที่เราได้มานั้นมันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วแล้วความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป นี่คือปัญญาปัญญาจะเห็นความจริงว่าการทำตามความอยากนี่ไม่ได้ไปสู่ความสุขแต่ไปสู่ความทุกข์อาจจะเป็นความสุขในเบื้องต้นเหมือนปลาที่หุบเบือเวลาฮุบเบือมีเหี่ยติดอยู่ปลายเบ็ดปลามันก็ไปหุบพอหุบก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอันี้ ความสุขที่ได้จากคูบเดียวมันปรับเดียวความทุกข์ที่ได้จากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันมันนานกว่ายาวกว่าทรมานมากกว่าถ้ามันไปคูปเบียดเสียก็ปลอดภัยถ้าเราไม่ไปเสดรูปเสียงกลิ่นลดเสียเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดความทุกข์ที่เกิดจากการเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไป งั้นเราอย่าไปเป็นปลาฮุบเหยื่อดีกว่าเป็นปลาที่ฉลาดนะปลาที่ไปเสพความสงบดีกว่าไปหัดฝึกสติกันไปเจริญสติไปคอยหยุดความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้มันคิดเรือเ่อยเปือย่าปล่อยให้มันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาควบคุมมันอย่าให้มันคิดอย่าให้มันคิด ในทางที่ทำให้ไม่อยากคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของมันได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปเป็นยังไงถ้าคิดแบบนี้มันก็จะหดใจมันก็จะหดไม่เอาดีกว่าถ้าเรารู้ว่าได้มาแล้วจะต้องเสียไปเราจะเอามาทำไมแต่เราความจริงเราก็น่าจะรู้กันนะ เพราะของทุกอย่างในโลกนี้เราได้มาไม่ช้าก็เร็วเราก็เอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายที่เราได้มาก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติขก็ของเงินทองก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาก็เอาไปไม่ได้แต่ก็ยังอยากได้กันอยากมีกันะแล้วเวลาต้องจากกันเป็นยังไง ร้องหยมร้องง่ายกันเศร้าโศกเสียใจกันนี่เป็นเพราะไม่มีปัญญารู้แต่ไม่ไม่รู้ตลอดเวลารู้เฉพาะบางเวลาเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็สายไปแล้วรู้ว่าอ๋อเขาต้องตายจากเราไปก็สายไปเสร็จแล้วทาใจไม่ได้ไมไ่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ถ้ารู้ก่อนที่จะไปเอาเขามามันจะได้ไม่ต้องเอาเขามาอยู่คนเดียวดีกว่าแต่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะความอยากมันคอยกระทุ้งใจกระตุ้นใจกระตุกใจทาให้เกิดอารมณ์ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นมาเราต้องหยุดอารมณ์เหล่านี้ให้ได้สิ่งที่จะหยุดอารมณ์เหน่านี้ได้ก็คือสติ ต้องต้นหยุดด้วยสติก่อนพยายามควบคุมอย่าให้มันผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใช้พุทธโธพุทธโธหยุดก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเราจะต้องใช้พุทธโธสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้พุทธโธเียนเราสามารถหยุดความคิดได้ ท, ทันทีพอเห็นความคิดจะคิดไปในทางที่ไม่ดีล้วก็บอก เลงมันไว้ไม่ให้คิดถ้าเราครวบคุมความคิดได้แ ส, สดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้แ ส, สดงว่าเรายังไม่มีสติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องหมั่นสร้างสติวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเราเราเลอกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้เราเลิกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรวันวันหนึ่ง ไม่ต้องคิดอะไรให้คิดอยู่แต่พุโทโธพุโทโธยกเว้นเวลาจาเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็คิดไปถ้าวันที่ไม่มีวันหยุดก็ไม่ต้องคิดเลยไม่วันถ้าเป็นวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยก็คิดพุดโทโธไปทั้งวันถ้าคิดไปพุโทโธพุโทโธไปนี้ใจจะว่างจากความอยาก ใจจะเบาจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตานี่ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราเข้าได้แล้วต่อไปเราก็หาความสุขแบบนี้ได้อยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าไป แทนที่จะต้องไปเหนื่อยกับการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆ ต, ต, ตามความอยากอยู่บ้านสบายอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจดิ่งเข้าสู่ควาสมสงบนี่ก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าน เราต่อไปเราจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหาเงินเพราะเราไม่ต้องใช้เงินมากเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้นี่ใช้แบกับการเสพลูกเสียงกลิ่นนัดเงินที่ใช้กับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยถ้าเราไม่ต้องออกไปเที่ยวนี้เราจะใช้เงินน้อยก็ทำให้เรา ไม่ต้องทำงานมากหรือบางคนมีเงินสะสมเก็บไว้มากก็ไม่ต้องทำเลยสบายอยู่บ้านอยู่ในห้องแอร์พุโทโธพุทโธไปถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพุโทโธพุทโธไปอันนี้เราก็จะสามารถอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆ อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการหาความสุขแต่มันจะสุขเฉพาะเวลาที่เรามีพุโทโธพุโทโธถ้าเราเผลอเดี๋ยวปล่อยไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหมุดหงิดขึ้นมา อ, อถ้าเราอยากจะกําจัดความอยากในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใช้ปัญญา เ, ออเวลาที่เกิดความอยากก็ต้องบอกว่าระหว่างการทําความอยากกับการไม่ทําความอยากอันไหนจะดีกว่ากัน ถ้าทําความอยากทําตามความอยากก็จะต้องทําไปเรื่อยๆไม่มีวันจบอแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปเราก็ไม่มีความอยากจะมาโผล่ขึ้นมาเช่นเวลาคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่แล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวพอสูบมวนนี้หมดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะสูบมวนต่อไปแต่ถ้า เราอยากจะสูบบรี่แล้วเราไม่สูบต่อไปความอยากจะสูบบรี่มันก็จะเบาลงไปทุกครั้งที่อยากจะสูบบรี่แล้วไม่ทำตามความอยากความอยากมันจะลดลงไปแล้วไม่นานมันก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้มันจะอยากไปทำไมแต่การที่เราจะฝืนความอยากได้นี่เราต้องมีใจที่ สงบก่อนต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังสู้กับความอยากพออยากปั๊บนี่มันต้องไปเลยแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันฝืนได้สู้ได้ถ้าฝืนไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิกําลังน้อยก็ทําสมาธิต่อทางที่จะไปสูบบุหรี่แทนที่จะไปดื่มสุรา ทางที่จะไปดื่มกาแฟาก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อใช้พุทโธใช้สติใช้ปัญญาสู้กับความอยากต่อไปความอยากถ้าเราถ้าเราไม่ทําตามมันแล้วต่อไปมันจะยอมแพ้เราถ้าเราทําตามมันแสดงว่าเรายอมแพ้มันถ้าเราแพ้มันมันก็จะสั่งเราอยู่เรื่อยๆใช้เราอยู่เรื่อยๆถ้าเราชนะมันมันก็ไม่กล้ามาสั่ง พอมันสั่งแล้วมันไม่ได้เหมือนเราเป็นลูกน้องใครเนี่ยเขาสั่งเราเราก็ต้องทําตามคำสั่งเขาพอเขาเราทตามคำสั่งเขาก็จะสั่งเราอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนเราบอกกูไม่ทําตามคำสั่งมึงแะ้เขาก็จะไม่กล้ามาสั่งเราแล้วแต่เขาก็จะไม่ให้เงินเรานะแต่ถ้าเราไม่ต้องงานเงินเขาลักต้องเราก็ฝวนคำสั่งเขาได้เราต้องมีเงิน เงินที่ดีกว่าวก็คือมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะฝืนความอยากได้เวลามันอยากสูบบุหรี่ก็กูมีความสุขดีกว่าเรื่องอะไรไปสูบบุหรี่ทำไมความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความเฉยเฉยดีกว่าสู้กับความอยากไปอยากไปทําตามความอยาก แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปหรือจะเห็นโทษของความอยากก็ได้ว่าถ้าไปทำตามความอยากแล้วได้สุขเดียวเดียวแล้วเวลาไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็จะทุกข์อยากจะสูบบุหรี่เวลาได้สุขก็สุขเดี๋ยวเวลาบุหรี่หมดไปซื้อก็ไม่มีขายหรือไปอยู่ที่ที่ไม่มีบุหรี่ขายก็จะทุกข์ละคิดอย่างนี้ก็ได้คิดว่าบุหรี่ ือสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาเกิดไม่มีแล้วก็วุ่นวายกันทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่อยากมานันแล้วมันจะมีไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนี่คนที่ไม่ติดบุหรี่นี่เขาเดือดร้อนไหมมีบุหรี่สูบหรือไม่มีสูบคนที่ไม่ติดเหล้านี้เขาเดือดร้อนไคนที่เขาไม่ติดเที่ยวเดือดร้อนไห ดูพระสงฆองค์เจ้าเนี่ยเขาไม่ติดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ติดอะไรเนยะท่านเดือดร้อนไหมท่านไม่เดือดร้อนนะท่านมีแต่บ ร, ร ม, มสุขนี่บารนังบ ร, รมังสุขขังนี่บานังก็คือใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความอยากต่างๆที่มีในใจมันหมดกำลังไปแล้วด้วยอำนาจของของปัญญาด้วยอำนาจของสติเนี่ยคือเราต้องมา ต่อสู้กันต่อสู้กับความอยากกันขอให้เรามองว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะคือความอยากของเราเองไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ใครทั้งนั้นคนที่ทำให้เราทุกนี้ไม่ใช่แฟนเราแต่เราอาจจะคิดว่าเป็นแฟนเราเพราะเราอยากให้แฟนเราทำอะไรแล้วเขาไม่ทำตามใจเรา เราก็โกรธเขาเอาความจริงมันไม่ใช่พเพราะแฟนหรอกเพราะความอยากให้เราอยากให้เขาทําตามความอยากพอเขาไม่ทําเราก็โกรธเขาเกลียดเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําอะไรเราจะไปโกรธเขานะเอไออเราไม่โกรธเขาจะทำอะไรเราก็เฉยเฉยแต่พอเขาแต่พอเรามีความอยากมันก็เลยพอเขาไม่ทําตามความอยากเราก็เลย ทุกขึ้นมาผู้ที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ขนมนมเนยแต่เป็นความอยากของเราอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วพอสิ่งเหล่านี้ไม่มีให้เราเราก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือการใช้ปัญญาปัญญาพิจารณามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้ มันจะทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรถาวรทุกอย่างเป็นของชั่วกราวได้มาแล้วก็หมดไปเราจึงต้องหากันอยู่เรื่อยไปหาลูกเสียงกันอยู่เรื่อยเวลาไปดูลูกไปฟังเสียงก็มีความสุข ก็กลับมาบ้านรูปเสียงก็หายไปหมดเดี๋ยวก็ออกไปหารูปเสียงใหม่ต้องออกไปเรื่อยๆแล้ววันไหนออกไปไม่ได้ก็ทุกวันไหนเงินหมดก็ทุกวันไหนไม่สบายก็ทุกแต่ถ้าเราหาความสงบได้เราไม่ทุกไม่สบายเราก็ทําใจให้สงบได้ไม่มีเงินก็ทําใจให้สงบได้ ขอให้มีสติมีปัญญาเท้งนั้นสองตัวนี้ถ้ามีสติมีปัญญาสติคอยหยุดความคิดปัญญาคอยตัดความอยากแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปอย่างถาวรต่อไปไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแค่อาหารกินไปวันละมื้อก็พอมีเสื้อผ้ารักสองสามชุดไ ว, ไว้ใส่ก็พอ มีบ้านมีอะไรพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอมียารักษาโรคสามสิบาทรักษาทุกโรคได้ก็พอไม่ต้องมีอะไรมากกว่า น, นี้ยาวิเศษขนาดไหนถ้าเวลามันจะตายมันก็มันก็ตายแต่รักษาโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้มีคนมาเล่าว่าัปอยู่โรงพยาบาลเขาเสียค่ารักษาเดือนละล้าน ก็ไม่หายเขาก็รักษาให้ให้ให้ให้ให้ใหใหใหอยู่โรงพยาบาลไม่นานๆตอนต้นเสียเสียสองล้านต่อเดือนแนละ้วตอนนังมาขอขอต่อเหลือล้านหนึ่ง้วอยู่สามสิบาทรักษาทุกโลกมันก็เหมือนกันถ้ามันจะหายมันก็หายคนที่รักษาสามสิบบาทหายปปหายก็เยอะตายก็เยอะคนที่รักษาสามสิบล้านตายก็เยอะ หายก็เยอะมันมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกมันอยู่ที่โลกถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายถึงเวลามันจะหายมันก็หายเวลามันจะไม่หายมันก็ไม่หายเพราั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องความตายเลยเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่เดือดร้อนไปกับมันเราจะปร่งได้ บอกว่าถึงเวลาแก่แล้วก็อยู่กับความแก่ไปถึงเวลาเจ็บแล้วก็อยู่กับความเจ็บไปถึงเวลาตายก็อยู่กับความตายไปใจจะไม่ทุกข์เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้พระปฏิบัตินี้ท่านไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลกันท่านอยู่ที่วัดกันไปเจ็บที่วดัดแก่ที่วดัดตายที่วัดกันเพราะว่ามันหนีไม่พ้น เกิดมาแล้วไม่มีใครจะหนีค้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีหรือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราหรือพวกขอทางข้างถนนมันก็เหมือนกันหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดหนีไม่พ้นดงั้นอย่าไปหนีมันดีกว่าสู้บันดิกเผชิญกับมันดีกว่า เพระน้ใจที่สงบแล้วจะไม่เดือดร้อนใจที่มีความสงบนี้จะมีความสุขเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่เป็นก็คือร่างกายร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาเจ็บเขาก็ไม่บน่นคนที่บ่นไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ไม่ใช่ร่างกายใจเป็นคนบน่นใจไม่สงบมันก็จะบ่นเพราะมันทรมานทรมานเพราะความอยากอยากไม่เจ็บ อยากให้หายอยากไม่ตายมันก็เลยสร้างความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ามีความสงบแล้วมันจะไม่ทรมานมันจะไม่บ่นมันจะไม่โวยวายมันจะไม่อดอดครางมันจะเฉยเฉยเพราะว่าใจไม่ได้เป็นอะไรร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนมันเป็นมันก็ไม่บ่นและเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็น ร body. Body the the ่างกายมันไม่รู้ว่ามันแก่ไม่รู้ว่ามันเจ็บไม่รู้ว่ามันตายมันก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไปเดือดร้อนเพราะความหลงความหลงไปผูกใจกับร่างกายไปคิ่ว่าใจเป็นร่างกายใจก็เลยตกใจใจก็เลยกลัวความแก่ความเจ็บความตายทั้งที่ใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะใจไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายใจเป็นตัวรู้ตัวคิดเป็นมนุษย์ล่องหนอันนี้เราไม่รู้กันเราส่งความรู้สึกไปเกาะไว้ก็อยู่กับร่างกายก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าเรานั่งสมาธิเราจะถอนความรู้สึกออกจากร่างกายถอนความรับรู้ออกจากร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรใจเราก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหลายอย่างจากการที่เรามาทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิรสต่างๆ ก็ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาทองไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาลูกเสียงกลิ่นรดกันเราสามารถอยู่อยู่บ้านอยู่วัดได้อย่างสบายอยู่เฉยๆวันหนึ่งก็มีหน้าที่เพียงแต่เลี้ยงร่างกายนี้ไปเท่านั้นเองร่างกายถ้าเลี้ยงมันจริงๆกินวันลมื้อมันก็พอแล้วมันไม่ต้องการมากหรอกอาหารร่างกายนี้ ให้มันกินอันลมือเหมืนอนกบพอละดับความหิวแล้วก็อยู่ได้ยี่บสี่ชั่วโมงไม่เดือดร้อนแล้วก็น้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปไม่ต้องไปหาน้ำชากาแฟาไม่ต้องหาเครื่องดื่มอะไรต่างๆมาดื่มเพราะใจไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสของของเครื่องดื่มต่างๆดื่มเพื่อร่างกายร่างกายไม่ต้องการ เครื่องดืม่มร่างกายต้องการน้ำเปล่ปามีน้ำเปล่าให้ร่างกายดืด่มมันก็อยู่ได้แล้วร่างกายไม่ขาดน้ำไม่ขาดลมไม่ขาดอาหารเลลมก็หายใจลมหายใจอาหารก็อาหารตามปกติไม่ต้องเป็นอาหารพิสดารหรือหละอะไรอร่อยไม่ไม่อร่อยไม่สำคัญ ame. เวลาหิวนี่อะไรก็อร่อยไปหมดทีเดียวข้าวเปล่ปาก็อร่อย น้องกินมื้อเดียวดูสิแล้วพอวันนุ่งขึ้นนี่มันเห็นอะไรมันก็หม่าได้หมดนะแต่ถ้ากินมาสา ม, มื้อนี่เดี๋ยวพอเห็นกินเพิ่มเพิ่มกินเสร็จไปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวกินกินเออไอ้นี่ก็แม่อร่อยอันนั้นก็แม่ไม่อร่อยเพราะมันไม่อยากกินเนี่ยมันก็เลยแม่ดูแม่อร่อยไปหมดแต่ถ้ามันหิวนี่อะไรก็อร่อยไปหมดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมา ทำกันมาสร้างความสุขจากความสงบดีกว่าและชีวิตเราจะสบายไม่วุ่นวายกับใครไม่ทุกข์กับใครตอนนี้เราวุ่นวายกับเงินทองเพราะเราต้องมีเงินทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆก็ต้องไปวุ่นวายกับที่ทำงานเพราะเวลาจะเอาเงินทองก็ต้องไปทำงานไปที่ทำงานก็ต้องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้หรือมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้ เหนื่อยกว่าจะได้เงินทองมาพอได้มาก็เอาไปซื้อความสุขเดียเด๋ยวๆอยากได้อะไรซื้อมาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวความดีใจนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่ก็ต้องก็ลงซื้อถ้าไม่ได้ซื้อก็ไม่สบายใจก็ต้องรองเงินเดือนออกเดือนหน้าถึงจะได้ซื้ อ, อี มันก็มีแค่นี้แหละชีวิตถ้าเราไปหวังความสุขจากของภายนอกมันก็ทให้เราต้องดินน้นรนต้องขวนขวายแล้วหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปเวลาจากกันก็เสียใจเศร้าโศกอะไรอาวรน แต่ถ้าเรามีความสงบนี่เราไม่ต้องไปหาของเหล่านี้ไม่ต้องไปดิ้นรนกับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเรามีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อต้องมีสติมีปัญญาทั้งเองที่จะซื้อความสุขอันนี้ได้ดังนั้นให้เรามาสร้างสติกันพยายามหยุดความคิดกันหยุดความอยากกัน ปัญญาก็เหมือนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยให้คอยเตือนใจเราว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์ก็เราจะอยู่เฉยๆได้แต่พอมีความอยากแล้วเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าส่้อยองอยเหงา ว, ว้าเหวต้องไปทาตามความอยากก็จะระบายความ หงุดหงิดลำทานใจไปชั่วคราวจนกว่าจะเกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นมาพอเกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นมาความหงุดหงิดลำคานใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากยอมหมุดหงิดไปจนกระทั่งความอยากมันหมดแรงพอความอยากหมดแรงความหงุดหงิดก็จะหายไปอโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรแต่ต้องใช้สติใช้ความสงบนี้สู้กับมัน ดูกับความอยากอย่าไปทําตามตความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกํำลังแล้วมันจะไม่มารบกวนเราอีกต่อไปแล้วใจเราก็จะมีความสงบไปตลอดเวลาไม่ต้องทําอะไรมีความสุขตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันพวกเราเลยทุกข์กัน เ็ราเราไปหาความสุขที่มันเป็นความทุกข์นั่นเองไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศสรรเสริญที่มันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปก็ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจกันทุกคนแต่คนที่มีความสุขทางใจมีความสงบแล้วจะไม่เสียใจจะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ เป็นที่พึ่งมีความสงบเป็นที่พึ่งความสงบที่เราเรียกว่าธรรมังสรรารังกาฉามีธรรมก็คือสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมมีสติมีปัญญาก็จะมีความสงบก็มีธรรมังสรรารังกาฉามีมีธรรมังก็เท่ากับมีพุทธังมีสังขังเพราะพุทธังก็มีมีมีธรร ม, มังเป็นที่พึ่ง สังคมก็มีทรมังเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็พึ่งธรรมพึ่งสติพึ่งปัญญาพระอริยสงสาวกก็พึ่งสติพึ่งปัญญาเหมือนกันใครมีมีสติมีปัญญาก็ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ต้องไปพึ่งลาบยศสารเสไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปพึ่งร่างกายที่มันเป็นของชั่วคราว ที่จะกลายเป็นความทุกข์ที่จะกลายเป็นเป็นเป็นที่ทำให้ใจทรมานไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจเวลาที่มันมันเสื่อมไปมันหมดไปนี่เราต้องมองอยู่ตลอดเวลาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งปลอมสักวันหนึ่งมันจะพึ่งเราจะพึ่งมันไม่ได้ร่างกายนี้ต่อไปเราก็จะพึ่งมันไม่ได้ ราบยุติเ ส, สริเสริทับสมบัติข้าวของเงินทองบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต่อไปเราจะพึ่งมันไม่ได้ดังนั้นรีบหาที่พึ่งที่เราพึ่งได้ตลอดดีกว่าที่พึ่งที่จะไม่มีวันสูญไม่มีวันจากเราไปก็คือสติปัญญานี่แหละให้มีสติมีปัญญาแล้วใจเราจะสงบตลอดเวลาใจเราจะมีความสุขตลอดเวลา จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เงินทองจะหมดก็ไม่ทุกข์ยศจะเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์สรรเสริญจะหายไปก็ไม่ทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่มีก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เรามีความสุขได้จากการใช้สติปัญญาทำใจให้สงบ ใจสงบแล้วใจเราก็จะมีความสุขมีที่พึ่งแล้วเป็นที่พึ่งถาวรด้วยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดเพราะใจเราก็ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดตอนนี้เราไปอาศัยที่พึ่งชั่วคราวกันพอมันหมดสภาพไปเราก็ทุกขกันปราศจจกที่พึ่งกันก็ต้องหาที่พึ่งใหม่กัน พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นที่เพิ่งใหม่ร่างกายที่เรามีจจอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นร่างกายที่ลำดับที่กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้ที่พึ่งชั่วคราวของเรานี้คือร่างกายเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาลำดับต่อไปหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหามาไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วก็จะหาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทุกพบทุกชาติชีวิตของเรามันก็จะเป็นแบบนี้แหละสุขบ้างทุกบ้างบางชาติก็ทุกมากกว่าสุขบางชาติก็สุขมากกว่าทุกแต่มันก็อย่างนี้แหละขึ้นๆลงๆสุขๆเด็ดๆสามวันดีสี่วันไข่จนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคําสอนพบกับพระอริยสงฆ์ที่จะสอนว่าให้มามาสร้างที่พึ่งทางใจมาสร้างธรรมะเป็นที่พึ่งดีกว่า มาสร้างสติมาสร้างปัญญากันแล้วเราจะมีที่พึ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเป็นที่พึ่งต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะนานๆจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีศาสนาพูดใกล้เหมือนกับไม่มีรางวัลไม่มีใครให้รางวัลเราพระพุทธศาสานานี้ให้รางวัลเราให้ที่พึ่องอันใหม่กับเราให้ที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้อย่างที่พึ่งที่ถาวรอย่างที่พึ่งที่เราจ ะ, ะไม่มีวันสู์ไม่มีวันหมด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องพพ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเหมือนกับคนที่ไม่เข้าวัดนี่คนที่ไม่เข้าหาศาสนาก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนามีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีพวกนี้เขาเรียกว่าพวกไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยไหมไก่เวลามันหาอาหารมันคุ้ยเขีย่ยหาอะไรหาตัวหนอนหาไส้เดือนนช่ไ เอาไปเจอเพชรเจอพลอยเข้ามันทำาไร ม, มันก็เขี่ยทิ้งเขียทิ้งเพราะมันไม่เห็นคุณค่ามันกินไม่ได้มันไม่รู้ว่าเพชรมีคุณค่าราคาถ้ามันรู้ซหน่อยว่าเอาไปขายได้มันสามารถกินไดซื้อตัวใช้เดินไม่ได้จนวันตายเนี่ยพวกคนที่ไม่เห็นไม่เห็นเพชรพลอยของพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าถ้าได้พระพุทธศาสนามาสอนใจทำใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขไปตลอด ความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนร่างกายอย่างที่ต้องเปลี่ยนกันอยู่ตรงนี้เขาชอบหาลาบยศสรรเสริญกันหาเงินหาทองกันพอได้เงินได้ทองก็ไปเที่ยวกันวันทํางานก็หาเงินวันหยุดก็ไปเที่ยวใช้เงินกันเวลาจะมาวัดก็อะไรไม่มีกันเพราะวัดก็เป็นเหมือนกับเพชรพอยเขาไม่ต้องการเขาต้องการใส้เดือนเขาต้องการ ก็ต้องการความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็เลยหาแต่สิ่งเหล่านั้นไปแล้ววันไหนที่ก็หาไม่ได้เขาก็เหลือดร้อนนี่คือชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐเป็นเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรีบไปขึ้นรางวัลนะถูกลอตเตรี่แล้วอย่าอย่า อยากเก็บลัตเตรี่ไว้ในบ้านรีบขับรถไปที่กองสลากกินแบ่งไปขึ้นรางวัลมาได้พระพุทธศาสนาแล้วได้คําสอนพระเจ้าแล้วพระเจ้ า, าบอกไปขึ้นสติไปขึ้นปัญญากันไปเอาสติเอาปัญญากันที่วัดไปสร้างสติสร้างปัญญาที่วัดกันเราจะได้ความสงบได้รางวัลที่หนึ่งะะจะกินไปัญญวันตายใช้เป็นญาวันตายก็ไม่มีวันหมด ใช้ไปกี่ล้านชาติก็ไม่มีวันหมดอันนี้แหะโอกาสอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็อย่าไปโทษใครนะโทษตัวเองขี้เกียจของดีๆกับไม่เอาจะดูทีวีจะกินขนมอย่างนั้นทำไมไม่ไปนั่งสมาธิกันทํำไมไม่ทําใจให้สงบกันไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบไปฟังเทศน์ฟังธรรม ว่าเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากการทําตามความอยากความทุกข์เกิดจากการมีความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแล้วพอไปทําตามความอยากมันก็ทําให้ความอยากมันมีอายุยืนขึ้นเพราะมันจะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะทําให้ความอยากลดน้อยลงก็ต้องใช้การไม่ทําตามความอยากหยุดความอยาก แล้วเราก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขในใจไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจความสุขนอกใจไม่ใช่เป็นของเราแต่ความสุขในใจนี้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดความสุขในใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพระสาวกอยู่ ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกก็ยังอยู่เหมือนใจของพวกเราแต่อยู่แบบสงบอยู่แบบมีความสุขใจของพวกเราอยู่แบบมีความอยากอยู่แบบมีความทุกข์กันเราต้องมาทำใจของพวกเราให้เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้มาสร้างสติกันมาสร้างปัญญากัน เอาล้นะคิดว่าฝนฟ้ามันจะมาเตือ น, นนะอยังไงนม่คิดเหนฝนฟ้าเจะให้พรก่อนเผื่อฝนตกก็จะได้ขึ้นน ố ไปได้เลย <c oughs> ยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปะติ อิชตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมมิตาตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามานิโชติราโสยะาสัพพีติยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ าพิวาธนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตระะารุมาวัทันติอายุวโนโสุขังภาลาถ้าการปฏิบัติหน้าที่ของเราทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์กระายเราจะทำยังไงดีคนะทุกแบบไหนนะทุกเพราะว่าเราไปทุกตีเขา รู้ทุกเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามความอยากของเขามันมีสองแบบถ้าทุกเพราะว่าเราไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยการไปทำละทำทำลายข้าวของเขาไปทำลายขเขาถ้าทุกแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำแต่ถ้าทุกเพราะเราไม่ทำตามความอยากอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าการการะทำของเรามไม่ผิดศีลผิดธรรมเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเขา อย่างพระพุทธเจ้าก็ทําให้พ่อทุกเวลาท่านไปบวชนี่ถ้าทุกแบบนี้ทุกเพราะความอยากของพ่อไม่ได้ทุกพอพระพุทธเจ้าไปตีพ่อไปทุบหัวพ่ออย่างนี้มันมีทุกหลายแบบทุกแบบไหนเข้าใจไหม อ, อย่างพระพุทธเจ้าท่านไปบวชนี่ท่านถือว่าเป็นการกระทําที่วิเศษที่ดีแต่คนไปทุกก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจ เขาไม่รู้ว่าเป็นของที่ดีของวิเศษแต่ถ้าเราไปขโมยเงินเขาเนี่ยล้วทาให้เขาทุกข์อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมไม่ดีเข้าใจไหมถามได้นะถ้าอยากจะถามถ้าไม่เดี๋ยวให้คนอื่นถามก่อนก็ได้มีไหมอ่ถาถามจากคำถามนั้นเลย ว, ว่างาแต่ถ้าเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาไม่เข้าใจ แล้วเาก็สแสดงว่าความงุ่งของเขาทำให้เขาทุกขนะ์ไงเขาก็ต้องพยายามสร้างปัญญาขึ้นมามทุกข์ถ้าเขาไม่มีความทุกข์เขาก็จะไม่คิดขวนขวายหาปัญญาเราก็อาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เขาต้องไปหาปัญญาขึ้นมาถ้าว่าทำไมเขาต้องมาทุกข์กับการกระทาของเราถ้าเขาไปหาเขาก็จะเ จ, อ, เจ อ, เวอว่าเพความอยากของเขาเขาอยากให้เราทำตามความต้องการของเขา พอเราไม่ทําตามความต้องการของของเขาเขาก็เลยทุกข์เขาก็อาจจะได้ปัญญาว่าต่อไปนี้เราเขาก็จะไม่ไปอยากให้เธอะอยากให้เราทำอะายให้กับเขาพอเขาไม่อยากให้ทําอะไรให้เขาก็ไม่ทุกข์กับเราอต่อไปทุกข์บอมีปัญญาบอกเกิดะว่าเราต้องมีความทุกข์แล้วมันจะทําให้เราต้องหาคําตอบหาวิธีแก้วความทุกข์เหมือนกับเวลา ถ้าไม่สบายก็ไม่หากินไม่หายากินกันใช่ไหมพอไม่สบายก็รีบหาหมอหายากันเลยถามมาฉันมีความทุกข์ในการประกอบอาชีพก็คื อ, อตัวดิฉันเองพยายามที่จะถือศีล น, นังหน่อยนะตัวดิฉันเองพยายามที่จะถือศีลให้บริสุทธิ์แต่อาชีพที่ทำ ผิดสินแล้วก็มีความทุกข์เป็นบางครั้งแต่ว่าก็ปล่อยวางก็คืออาชีพนี้ก็คือทำร้านอาหารไทยอิตาลีขายเหล่าแต่เรื่องเรื่องสัพท์นั้นไม่ค่าแล้วคืใช้แต่ของแช่ฟิชค่ะขายเล้าขายเบีร์แล้วเป็นคนต่างชาติซึ่งก็คือได้อาชีพนี้มาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องนะคะ ว่าเราอย่าดื่มก็เราก็ไม่บาป ก, การขายนี่ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ควรจะขายเท่านั้นเองเพราะไปส่งเสริมให้คนเขาดื่มกันแต่ถ้าเขาอยากจะดื่มก็ช่วยไม่ได้เร า, า, าเราไม่อยากขายแต่เขาขอร้องเขาขอซื้อนี่เขาขอซื้อเราไม่เลยไปบังคับให้เขาซื้ออก็มมไม่บาปเราไม่บาปไม่ต้องไปกังวลละเพราะ ขายสุรานี้ไม่ได้เป็นการไปบังคับขายให้มาซื้อเขาอยากจะมาซื้อกันเองแต่ถ้าไม่ขายได้ก็ดีอ่ก็คือได้เงินส่วนเนี้ยมาดูแลมูนิธิหรืว่าประสบได้ยากครคอบคร่าเรื่องเรื่องเรื่องของบุญก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เป็นเรื่องของบาปแต่เราไม่ได้ทําบาปหรอกการขายการขายสุ ر ا นี่ไม่ได้ถือว่าบาป เป็นจริงเราเป็นอาชีพทีท่ไม่ควรส่งเสริมเพราะจะทำให้คนดื่มสุราแล้วไม่มีสติแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรืออาจจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราก็ได้เช่นบางคนดื่มสุราเมาแล้วก็อลาวาดในร้านอย่างเงี้ยเราทำข้าวของในร้านให้พังไปแต่การถ่ายนี่ไม่ถือว่าบาป แต่เป็นหน้าที่ที่ไม่แนะนําให้ทําเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะตามมาจากการดื่มทุรายาเมาแล้วเกิดความมึนเมาขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นหรือให้กับเราอีกทีนก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีบุญอ่ จ, จตรงนี้ได้เจ้าค่ะได้ทําไปก่อนอนีอีกเจ้าค่ ะ, ะว่ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสับสน ในเรื่องเทพทั้งหลายก็คือก็จะรู้จักพระอาจารย์วัดนู้นวัดนี้องค์นั้นองค์นี้และทีนี้ท่านก็เชิญโยมให้ไปวางศาลิลาฤกษ์ทางวิหารเทศโยมก็เลยบอกท่านว่าเอ๊ะจะถูกเลยท่านเพราะว่าโยมก็ยึบมันในพระรัตนาตรัยและจะให้โยมไปเป็นคนวางศิลารวมเป็นผู้วางศาลิลาฤกษ์ กับศิลาเทพก็รู้สึกจะขัดแย้งแล้วทก็เลยบอกว่าเอ้าเทพก็เป็นผู้มีบุญบารมีสูงแล้วก็ะละหันเทพก็มีเยอะแยะบรรดาที่ว่าเราจะยึดว่าศรัทธาศรัทธาในความเมตตาของท่านหรือศรัทธาใน อ, อยู่ที่จิตของเราจะยึดว่ากาสักการะหรือบูชาไวเ้เพียงเนี่ยไว้เพื่อสิ่ไหน ที่เราคิดเหรอไหมอืมถูกไหมครัก็คือการบูชานี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราให้ความนับถือบุคคลที่เราบูชาแต่การบูชานี้มันต้องบูชาแบบที่มันเป็นประโยชน์กับเราต้องบูชาแบบให้มีปัญญาให้ได้ความรู้เพราะว่า ความรู้นี่แหละที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้เจริญมากขึ้นและในบรรดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะสูงเท่ากับพระพุทธพระสงฆ์ถ้าเราเราเคารพเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่สูงสุด ที่จะทำให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดถ้าเราไปบูชาเทพเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราบูชาแล้วเราได้อะไรจากเทพเพราะเทพเขาไม่มีความรู้มาสอนเราใช่ไหมเราก็บูชาไปอย่างนั้นแล้วทีนี้พระอาจารย์อันนี้ท่านบอกว่าสังเกตไหมตามวัดตาม แต่ละแห่งแต่ละที่เวลาสร้างพุทธรูปก็จะมีพิธีไหว้เทพทั้ทงหลายแล้วก็ไหว้แล้วก็สวดสัตย์เพีเรมีท่านเจเลยบอกว่าถ้าเราไม่มีความศรัทธาเทพแล้วเราจะทําพิธีนี้อัญเชิญเทพมาร่วมพิธีทําไ ม, มก็เหมือนกับเราเป็นคนเนี่ยเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ยกเขาไม่กราบไหว้แต่ว่าวันหนึ่งไปเชิญมาร่วมงานมาเป็นพิธีหรือ เ, เจ้าภาพหรือว่ามาร่วงท่านก็ไม่อยากมาเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีความศรัทธาถ้าเราดูหมิ่ อ, มอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าพิยกมอย่างงี้ก็เลยทําให้โยมคิดว่าก็มีเหตุผลก็เลยโอนอ่อนไปตามนั้นก็เลยรับปากว่าจะไปอืมไปร่วมทําพิธีกับท่านนี้ไม่ไม่เป็นไรแล้วจ้คะคะแต่ว่าโยมไม่ได้หวังว่าจะบูชาเพื่อร่ำรวยเพื่อขอพรไม่ได้หวังอย่างนั้นค่ะคือมันมันเป็นการกระทําที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำ พระเจ้าสอนให้ทําสิ่งที่เป็นบุญกับพวกเราคือเป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราให้ความสุขใจกับพวกเราแล้วมันท่านไม่ได้สอนให้เราบูชาเทพท่านไม่ได้สอนให้เราสร้างพระพุทธรูปไปศึกถ้าเราศึกษาพราะธรรมคาสอนเราเราจะรู้ว่าท่านไม่ได้สอนให้เราทําสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราทําทานรักษาศีล ภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอุทิศบุญอนุทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอันนี้ต่างหากคือเป็นการกระทาที่พูะเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้สร้างพระพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วไม่ได้สอนให้มา ทำพิธีปุกเสกไม่มีสอนให้งานอันนี้ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทราบมันหลงเข้ามาอยู่ในศาสนานี้ได้ยก็เพราะว่าผู้ที่มาบวชไม่ได้มาศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าไปฟังคำสอนของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคิดกันขึ้นมาเองอมันก็เลยทาให้เกิดความสับสนในระหว่างชาวพุทธเรา าศาสนาพูดนท่านสอนสามขั้นขั้นแรกท่านสอนให้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าสามพระพุทธเจ้าสอนให้ทาอะไรเนี่ยท่านสอนให้อยากจะรู้เนี่ยไปอ่านมงคลสามสิบแปดดูนี่มงคลสามสิบแปดน่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทำหนึ่งให้ครบคนฉลาดอย่าไปครบคนโง่เนี่ยเนี่เราไปครบคนโง่แล้วคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็เลยไปทำในสิ่งที่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรสมัยให้คบคนฉลาดคบบัณฑิตอย่าคบคนโง่แล้วก็ให้บูชาบุคคลที่สมควรกับการบูชาบุคคลที่สมควรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรกับการบูชาที่สุดเพราะแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มากที่สุดที่จะช่วยให้เราได้ไปสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตได้ดังน่าขั้นแรกให้ศึกษา ว่าเราต้องทำอะไรเมื่อศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติจิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดอยู่ในมงคลสาสบข้อนี้นะแหละเราไปดูซิว่ามีชุมนุมเทวดามีเชิญเทวดามาบวงสวงหรือเปล่ามา สอนให้สร้างพระพุทธรูปหรือเปล่าไม่ได้สอนทั้งนั้นแล้วเราต้องเหมือนศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราจะได้หายสงสัยกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในในแวดวงของพระพุทธศาสนาเราควาจริงมันเป็นเรื่องของพรามเป็นของอะไรเข้าม า, มากกว่าเวลากวดน้ำก็ไม่นี่ก็เรื่องของพรามนะเวลาอนุโมทนาแล้วก็เทน้ำกันเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เทน้ำํำแต่สอนให้เทน้ําใจเทบุญของเราที่อยู่ในใจของเรานี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอุทิศบุญบุญมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในน้ําแต่คนไม่เห็นบุญไม่เห็นใจไม่เห็นบุญก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างก็เลยไปติดน้ําเวลาทําบุญแล้วถ้าไม่มีน้ําเหมือนกับไม่ได้อุทิศอย่างนั้น ไม่ต้องมีน้ำํทำทําบุญเสร็จเมื่อกี้ให้พรไม่ต้องพระก็ไม่ต้องให้พรด้วยทําบุญเสร็จเราอุทิศได้เลยพระให้พรนี้เป็นการแสดงความยินดีแสดงเหตุแสดงผลว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทําบุญแล้วจะได้เจริญในอายุวั น, นสุขภาระความหมายอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นคาถาเสกเป่าให้เกิดบุญขึ้นมาบุญเกิดจากการกระทําของญาติโยมนะ พระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพระเพียงแต่มาสแสดงความยินดีเท่านั้นเองจะสวดไม่สวดบุญที่ญาติโยมทําก็เท่าเดิมส่วนแล้วก็ไม่ได้มากขึ้นไม่สวดก็ไม่ได้น้อยลงควจริงไม่ต้องญาตถาเลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมกันแล้วพอมาทําบุญถ้าพระยังไม่ญาถาก็ไม่ยอมกลับบ้าน <laughs> พระจะไล่กลับบ้านก็เลยต้องยะตถา ไ้กลับบ้านได้แล้วได้รนะับบุญแนละ้วนระับพรแล้วความจริงพรมันเกิดจากการกระทำของเราทำดีได้ดีเราต้องการความดีความสุขก็เกิดจากการทำความดีของเราพอเราทำความดีปั๊บเราก็ได้ความสุขได้ความเจริญแล้วไม่ต้องมาให้พระมาบอกเราว่าได้ได้ความสุขได้ความเจริญแล้วหมนกินข้าวอิ่มแล้วไม่ต้องให้พระมาบอกว่ากินข้าวแล้วอิ่มเป็นยังไงใช่ไห ต้องบอกไหมโยอ่าอิ่มไหมถ้าจะถ้าจะสวดไม่สวดเราอิ่มไหมเวลากินข้าวาถ้าเราไม่กินข้าวให้พระสวดจนมันตายมันจะอิ่มไหม <c oughs> มันก็ไม่อิ่มอ่ามันต้องการทําบุญก็เป็นการให้อาหารใจทําบุญเสร็จปั๊บใจก็อิ่มขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาทีนี้ทํามนานียมประเพณีอาจจะเป็นเพราะ ก็คล้ายๆพระอาจจะเขย่ยาโยมาเข้าของมาให้ไม่มีอะไรตอบแทนก็เลยต้องกล่าวคำอนุโมทนาแสดงความยินดีหน่อยก็เลยกล่าวยอถาสัพพีไปเอาเข้ามาขึ้นมาทางด้านหลังเข้าใจนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แขกเข้ามา เอาได้ได้เ ย, น, ยนถามต่ อ, อ, อมีหนึ่งอาชีพค่ ะ, ะก็คือร้านสังกพัณฑ์ก็ที่ทางร้านนี้ขึ้นมาเพื่อคิดว่าสร้างบุบารมีได้ทุกวันขายของดีขายขอ ง, ขงถูกให้ผู้ที่ <c oughs> ทำบุญไปทลายแต่พอมาทำปุ๊บเริ่มสับสนเพราะว่ า, าขายต้องมีทุกอย่างคนมาถามนู่นถานี่อย่าง อ, องคุภยานาบุมาทองอชุด ไทยหรือว่าเครื่องสลักคย่าตายายช้างม้าแต่ทีนี้พอละเมิตเอ๊ะเราจะมาทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยหรือว่าเราจะมาสร้างกรรมกันแน่ทีนี้อก็คือไม่ได้มีความจําเป็นนะคะว่าต้องทําแต่ว่าอยากทําตรงนี้เพื่อสร้างบารมีทุกวันนะคะชื่อานบารมีสักขภัมก็เลยทําให้โยมโล่มศับสุนค่ะว่าไอโยมทํา จะเป็นท่านกรรมจะมากกว่านคะคะคือของบางอย่างมัน <S <S ไม่จําเป็นต้องขายก็อย่าไปขายสิให้ก็ไปซื้อที่อื่นขายแต่ของที่ใช้ในของพระพุทธศาสนาก็ <S <S ขายปัดอับบฐบาลิขานของพระเนี่ยพอแล้ว <S <S ถ้าเขาต้องการอย่างอื่นก็ให้เขาไปซื้อที่อื่นเพราะมันไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราขายก็เหมือนกันเราก็ไป ส่งเสริมความงมงายของเขาถ้าเราไม่ขายก็อาจจะถามว่าทำไมไม่ขายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ขายของพวกนี้เพราะพระในศาสนาท่านต้องการแค่อัตถะบริการนนะั่เนเองแสดงว่าที่แรกว่าปู่พญนาคไม่น่าเป็นไรเพราะว่าปู่ปักรักษาอพระพุทธเจ้าอแต่ว่ายังอยู่ในในส่วนที่ถูก ของพวกนี้มันไม่ได้ปกปักรักษาใครทั้งนั้นอนะ่ะมันเป็นกุ๊กตาหลอกเรามันไม่มีพลังพลังจิตพลังอำนาจอะไรทั้งนั้นมันเป็นของเล่นถึงแต่เราไปหลงเชื่อว่ามันมีอำนาจเราซื้อมาแล้วมันจะสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาโยกภัยไข้เจ็บหร้วชีวิตของพวกเรามันทาไม่ได้หรอกของพวกนี้แมนะ้แต่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นี้ก็ปกป้องรักษาอะไรเราไม่ได้ เป็นเพียงแต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ให้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองอเพื่อเราจะได้ทําตามคำสอนของพระเจ้าแล้วถ้าเรามีดีเทา้าวั้นี้เราจ ะ, จะทำยังไงคะคือว่าตั้งไว้เนที่มีเลยเราจะก็ตั้งมันไปเลยก็เพียงแต่เราเปลี่ยนใจอย่าไปเชื่อกแล้วกันว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็ค <c oughs> ือหมายถึงทุกวันพระขึ้นน้าใส่ถ้ายัง ถ้ายัางไม่ไม่มั่นใจในตัวเองยังต้องทำก็ทำไปถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องทำถ้าถ้าอยากจะเอาลงก็เอาลงได้เอาเอาเก็บเอาจะเอามาเก็บไว้ในตู้ในอะไรไปก็ได้แล้วจะยกให้คนอื่นไปก็ได้ถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้เราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นของเล่นของหลอกที่เมื่อก่อนนี้เราเป็นเหมือนเด็ก เรายังไม่รู้เรียงสาเราก็เชื่อตามที่เขาบอกเรามาแต่พอเราโตขึ้นเราได้มาเรียนหนังสือได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่เราไม่ต้องลบหลูขอ ง, งต่างๆที่ใครเขาเคารพก็ปล่อยก็เคารพไปของที่เราเคยเคารพแล้วเคารพต่อไปเงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามัน ไม่จําเป็นจะต้องเอามาตั้งแล้วก็เก็ไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้หรือจะให้ใครที่เขาอยากได้ก็ให้เขาไปก็ได้เป็นการทําบุญไปแต่าสาหรับเราเราโตแล้วเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วถ้าเป็นเด็กตามดํามเนีนเด็กเราก็เล่นตุ๊กตาใช่ไหมพอเราโตขึ้นเราเอาของจีบไปดีกว่าเอาเล่นตุ๊กตาใช่ไหมใช่ไหมเราถึงไปมีแฟนแทนที่มีตุ๊กตาตอนเป็นเด็กมันมันต้องเอาตุ๊กตาก่อน แต่พอโตปั๊บเรารู้แล้วอันนี้เป็นของเล่นของจริงดีกว่าเราก็เลยไปเอาแฟนดีกว่าดีกว่าจะเอาตุ๊กตาใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราเป็นยังไม่รู้เรื่องศาสนาเราก็คิดว่า น, นี่เป็นที่พึ่งทําแล้วจะปกป้องรักษาเราแต่พอเรามาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่แท้จริงคือการปฏิบัติตามคําสอนของพระทเจ้าถ้าเรารู้งนี้เราก็เปลี่ยนมา มาศึกษาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพวกนี้เราก็ยกให้คนื่นไปถ้าก็มีใครอยากได้ก็ทำทานไปทำบุญไปถ้าไม่มีใครอยากได้จะไม่เกจ ก, การจะปล่อยไว้วางไว้เฉยเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรไ อ, อ่าเป็นอนุสอนว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคร <c oughs> ั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็กเราเคยเชื่อของพวกนี้ <c oughs> แต่อย่าไปลบหลูอย่าไปทำลายของอต่างๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ามันอาจจะไปทำลายจิตใจของคนอื่นที่เขาเคารพนับถือก็ได้คำถามทางยูทูบจากคุณการนาค่ะนั่าาสมาธิที่เขาชีโอนค่ะเห็นวงกลมสีขาวใหญ่กลุมตาทั้งสองข้างไม่ตามเพราะคิดว่าเป็นนีมิเกิดแล้วดับภาพนั้นก็หายไปก็ดูลงต่อค่ะ ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะถูกต้องแล้วลพยายามอย่าไปสนใจกับอะไรนอกจากลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องควบคุมใจกำกับใจก็ให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจแล้นลมจะหายใจจะพาเราเข้าสู่ความสงบซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติคือความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างอื่นจะไม่สามารถทําให้เกิดความสุขได้ไม่สามารถทําให้ใจสงบได้นอกจากการ เฝ้าติดตามดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นการใช้ลมหายใจถ้าเราใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมไปอย่าทิ้งคำบริกรรมไม่ว่าอะไรจะมาเกิดปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจจนกว่าจิตจะวุบหลิ่งลงไปสู่ความสงบพอจิตหลิงเข้าสู่ความสงบแล้วคำบริกรรมพุโทโธก็จะหยุดไปเองแล้วจิตก็จะนิ่งสงบ จะสบายจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยพบมาก่อนจิตเราปกติมันไม่เคยนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันจะรู้สึกแปลกประหลาดมหศัศจรรย์ใจมันจะเบาอกเบาใจจะสุขจะอะไรที่มีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนคำถามจากคุณนันนรัตค่ะอายุ15ปีจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปอยู่กับโค้ ควรใช้ทำข้อไหนในการดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างไม่เป็นทุกข์คะก็ต้องใช้ความเมตตาต้องมีความเมตตาต่อบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ให้อภัยอย่าถือโทษกดเกืียวแล้วก็ให้ความไม่ตีจิตสร้างความสร้างมิตรภาพให้ต่อกัน ด้วยการมีอะไรแบ่งกันได้ก็แบ่งกันมีขนมน ม, นมเนยมีข้าวมีของอะไรที่เราจะแจกให้กันได้ก็แจกกันไปแล้วก็ให้ทำใจอุบเบกขาคือเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าปล่อยอย่าระบายออกมาพยายามรักษาใจข่มใจด้วยความ ใช้อุเบกขาอุเบกขาก็คือพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรามีอารมณ์หงุดหงิดถ้าอยากจะระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาก็อย่าระบายระงับมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปทาใจให้สงบให้หายหงุดหงิดก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำอะไรถ้าพูดดีไม่ได้ทำดีไม่ได้อยับอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไร ทำให้ใจอารมณ์ดีก่อนเมื่อใจอารมณ์ดีแล้วค่อยพูดค่อยทำแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาเราจะอยู่กับใครที่ไหนก็ได้ทุกคนเขาจะไม่รังเกียจเราคำถามจากคุณนาราคำว่าบุญกับกุศลแตกตา่ตกตางกันหรือเหมือนกันอย่างไรคะคำว่าบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจนี่เรียกว่าบุญ กุศลนี่แปลว่าความฉลาดความฉลาดก็คือความรู้ที่เราได้จากการฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าปัญญาบุญนี่ก็เกิดจากการทาบุญทาทานเนี่ยเวลาเราทำทานนี่เราก็จะได้บุญได้ความสุขใจเวลารักษาศีลก็ได้ความสุขใจเวลาฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาก็เกิดความสุขใจเหมือนกัน เมือนเมื่อกี้ยมีปัญหาไม่เข้าใจพอถามแล้วพอเกิดความเข้าใจได้ปัญญาก็เกิดความสุขใจเหมือนกันอฉะนั้นบางทีเราก็พูดใช้แทนกันบุญกุศลอแต่ความหมายจริงๆแล้วกุศลนี่แปลว่าฉลาดกุศลาทําใจให้เราฉลาดถ้าใจเราฉลาดแล้วเราก็จะสร้างแต่สิ่งที่ทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา คนที่มีกุศลก็จะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญคนที่มีกุศลก็จะไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเที่ยวเต่จะไปอยู่วัดไปทำใจให้สงบไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เกิดจากกุศลเกิดจากการมีปัญญาการจะมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้ศึกษาในอ่านหนังสือธรรม อยากสอบถามว่าคนที่คนแห่กันไปกราบไหว้พระพุทธรูปตามวัดต่างๆว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างนู้นอย่างนั้นแล้วคนก็เข้าวัดไปไหว้และทําบุญกันมากบ่ต่อต่อกันมาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ครับหรือคิดกันไปเองก็แต่ละคนก็มีความเชื่อของเขาเนี่ยเชื่อว่าได้ไปกราบแล้วก็จะได้สิ่งที่เขาปรารถนากัน ซึ่งบางทีมันก็เป็นเหตุบังเอิญก็ได้คือมันจะได้อยู่แล้วจะไปกราบไม่ไปกราบมันก็ได้แต่พอไปกราบแล้วได้ก็เลยมาโฆษณากันว่าโอ้อยากได้สิ่งนี้ไปกราบที่วัดนี้แล้วก็จะได้เพราะคนที่ไม่ได้ก็อยากจะได้กันเห็นไหมตอนนี้เห็นว่าไปคําชะโนดกันนะเพราะมีคนไปวัดนั้นแล้วไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่นั้น คนที่ไม่ถูกก็อยากจะถูกก็ไปกัน เ, ออเขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวพวกนี้เดินมงคลกันพวกตื่นมงคลพอมีใครบอกว่ามีอะไรดีตรงนั้นก็ไปกันออโดยที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าดีจริงหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของเหตุบังเอิญส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถโดนบันดาลให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรอก สิ่งที่เราต้องการนี้ต้องเกิดจากการกระทําของเราท่านสอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมทําดีแล้วก็จะได้ดีทําชั่วแล้วก็ได้ชั่วการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี้ไม่สามารถได้สิ่งที่เราต้องการได้ถ้าได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนให้พวกเรามาทําบุญทําทานมารักษาศีลกันให้เหนื่อยมากราบพระพุทธเจ้าจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อยากขออะไรก็ขอเลยอยากจะขอเงินก็ได้เงินขอทองก็ได้ทอง ขอนิพพานก็ได้นิพพานมันขอไม่ได้ที่เราจุดธูปเทียนบูชานี้เพียงแต่กบับเพื่อเราเลิกถึงบุญคุณอันประเสริฐว่าถ้าไม่มีท่านเราจะไม่รู้เรื่องราวต่างๆเราก็เลยอยากจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีแสดงความเคารพต่อพระคุณอันประเสริฐของท่านสิ่งที่ท่านต้องการให้เราตอบแทนบุญคุณของท่านที่แท้จริงก็คือท่านต้องการให้เราเอาคาสอนของท่านไปปฏิบัต เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระเจ้าบอกไม่ต้องมากราบไม่ต้องมาจุดธูปเทียนสามดอกขอให้เอาไปปฏิบัติเถิดนปฏิบัติแล้วก็ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคําถามจากคุณกรณ์เมื่อเราเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายทําให้เราทําสมาธิภาวนาไม่ได้ดีเราควรกําหนดจิตอย่างไรเจ้าคะถ้าบริกรรมได้บริกรรมไปเลยความรู้สึกเบื่อหน่ายก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราขึ้นมาเอง คิดว่าเบื่อมันก็เบื่อขึ้นมาพอเราหยุดคิดถึงความเบื่อมันก็หายเบื่อวิธีจะหยุดคิดก็ให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปแล้วอารมณ์ที่ที่มันทําให้เราเบื่อมันก็จะหายไปคําถามจากในอินบล็อกคำถามจากคุณชามชัยผมนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ดีๆผมก็คิดว่าข้าสาบานชาตินี้จะไม่ปากมาก แล้วผมก็ไปถอนคำสาบานแล้วผมก็พูดว่าถ้าขอถอนคำสาบานที่พูดว่าข้าจะไม่ปากมากแบบนี้จะถือเป็นคำสาบานหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราจะถือไม่ถืออมันอยู่ในใจของเราเองถ้าเราถือมันก็ถือถ้าไม่ถือมันก็ไม่ถือคำถามจากคุณทัพทิมโยมเป็นคนชอบเก็บเงินและชอบแต่งตัวจะบาปไหมครับแต่ก็ส่งเงินให้พี่ๆและหลานๆใช้บ้าง แต่ไม่ได้ให้ลูกเพราะเขามีเงินเดือนกันแล้วอยากให้แต่คนที่เขาเดือดร้อนคะ่ะและอยากสร้างห้องน้ำให้กับท่านบ้างและโยมชอบฟังธรรมทุกวันแต่ยังมีความอยากอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้คะเพราะความอยากมันก็เป็นนิสัยจะจะเลิกความอยากได้ก็ต้องฝืนมันถ้าไม่ฝืนมันก็จะเลิกไม่ได้มันก็จะทำให้เราทำตามความอยากไป พอเราทําตามความอยากมันก็ส่งเสริมความอยากให้มีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะตัดความอยากเราก็ต้องฝืนความอยากเวลาอยากจะทําอะไรเราก็ไม่ไปทํามันแล้วต่อไปความอยากนั้นมันก็หายไปส่วนเรื่องการใช้เงินนี้ถ้าใช้กับตัวเราเองก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเอาไปใช้กับคนอื่นก็ได้บุญบุญนี้จะติดตัวกับเราไปได้เวลาเราตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทํากับ ตัวเราทำกับร่างกายเราเวลาเราตายไปเราจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะมาต้องเป็นขอทานบุญมามาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่เ้ายังมีชีวิตอยู่ยันถ้าเราไม่อยากที่จะไปเป็นขอทานหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราที่จะมาใช้กับตัวเรานี้ไปทำประโยชน์กับคนอื่นไปช่วยคนอื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทำได้สองอย่าง ทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจสองจะทําให้เราเวลาตายไปเรามีบุญติดตัวไปจะทําให้เราไปสวรรค์กันครัำถามจากคุณอาจารยา์ยามข้อที่หนึ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบานันจะต้องวางใจและปฏิบัติตัวปฏิบัติใจอย่างไรคะก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามองร่างกายของเราเหมือนร่างกายของคนอื่นของคนที่เราไม่รู้จัก คนที่เราไม่รู้จักนี่เขาเป็นเขาจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมก็มองน่างกายอันนี้ให้เห็นว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมันจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนกับมันก็จะเป็นโสดาบันไดเพื่อจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นน่างกายเราเป็นใจเราเป็นเจ้านายของร่างกายที เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรเนี่ยที่มา น, นี้ได้เพราะเราเป็นสั่งให้มันมาถ้าเราไม่สั่งให้มันมามันก็ไม่มาแต่เราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเหมือนคนขับรถเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนรถเนี่ยยั้นถ้าเรามองเห็นว่าร่างกายเป็นเหมือนรถเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันใช่ไหมเวลารถเสียเราก็ไม่เดือดร้อนเสียก็เสียไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปถ้าร่างกายเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันไม่สบายเราก็รักษามันไป หายก็หายไม่หายก็ตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ตายไปกับมันนี่คือโสดาบันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับร่างกายข้อสองการปฏิบัติธรรมเป็นคาสกิคาธามีจะต้องวางใจและปฏิบัติตัวปฏิบัติใจอย่างไรคะคาสกิตาคารีก็คือพระพระโสดาบันที่ ยังมีความอยากในในร่างกายของคนอื่นอยู่ยังเห็นร่างกายของคนอื่นว่าสวยงามน่ารักยังอยากจะเอามาเป็นแฟนอยู่ยังอยากจะมาร่วมหลับนอนด้วยวิธีแก้ก็คือต้องมองเวลาร่างกายของคนที่เรารักนี่กลายเป็นศพไปถ้าแฟนเราตายไปวันนี้เราอยากจะเก็บเข้าไว้ในบ้านเราหรือเปล่าหรือยกให้สับเปลือยเลยถ้ายังหายใจอยู่นี่ คนเด็ดตีนขาดใครมาขอก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่พอไม่หายใจแป๊บนึงยกให้สั ป, ปเปิลได้เลยเชิญสั ป, ปเปิลมารับไปเลยอั้นเราต้องมองดูความตายของร่างกายของคนที่เรารักหรือมองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังร่างกายของเรานอกจากข้างนอกมันยังมี้อะไรต้องเยอะแยะอยู่ข้างในที่เราไม่มองกันหน้าเร า, ข, าข้างใต้ผิวหน้าเรานี่มีอะไระก็มีกระโหลกศรีรษะใช่ไหม มีโครงกระดูกไหมมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้ไหมมีของโซกโปกที่เราขับถ่ายออกมากไหมถ้าเราพิจารณาของเหล่านี้ความรักในร่างกายนี้ก็จะหายไปเราะสกิราคามีนี้ก็เป็นผู้ที่สามารถละได้บางเวลาแต่ยังไม่สามารถละได้ตลอดเวลา เพราะยังมองไม่เห็นตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นว่าสวยงดงามบางเวลาก็เห็นว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวเวลาที่เห็นว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ดับความอยากในการเสพการได้พอเวลาเกิดเวลาลืมเวลาหลงเห็นว่าสวย่างงา ม, ามก็เกิดความอยากขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นพระสกิรดาคามีคือได้ได้ทำให้เบาบางลงความอยากจะเสพการเบาบางเบาบางลงแต่ถ้าได้ ถ้าเห็นตลอดเวลาว่าไม่สวยไม่งาม น, น่าเกลียดน่ากลัวก็จะเป็นขั้นที่สามนือขั้นพระอนาคามีเกิดจะไม่เสกกรรมอีกต่อไปจะไม่ยุ่งกับการมีสามีมีภรรยามีแฟนจะไม่หลับนอนกับใครเพราะเห็นว่าเป็นการหลับนอนกับซากศพดีๆนี่เพียงแต่ว่ายังหายใจได้ทั้งนึงใช่หไหมคนเป็นัคนตายมันต่างมาันตรงไหนต่างให้ลมหายใจเท่านี้ พอหยุดหายใจปั๊ก็กลายเป็นศพไปแล้วคาถามจากคุณเมธเวลาออกจากสมาธิแล้วยังมีอาการเมือ น, นิตึงตึงบริเวณหน้าจะแก้ไขอย่างไรครับออกจากฌานสี่ครับก็ไม่ต้องไปแก้อะไรเลยมันก็หายไปเองเราก็นำเนินเจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับมันคาถามจากคุณสิริขวัญ แค่สมาธิแค่เวลาสั้นๆจะได้บุญไหมครับก็ได้น้อยถ้านั่งยาวก็ได้มากเหมือนกับแปวะไปทางานทำงานน้อยวันก็ได้เงินเดือนน้อยทำงานมากวันก็ได้เงินเดือนมากคำถามจากคุณดีถ้าเราเห็นคนอื่นทำผิดแบบขโมยของแล้วเราไปบอกคนดูแลให้รับรู้ตัวเราเองจะผิดศีลไหมครับเพราะคนที่จะโดนไล่ออกจากงานคือคนที่ขโมย ผมจะผิดศีลไหมครับ อ, อ๋อไม่ผิดศีลหรอกคนที่ทํำผิดศีลคนที่ไปบอกนี่เป็นพลเมืองดีไปแจ้งความคําถามจากคุณเมธเวลาพิจารณาปัญญาควรพิจารณาร่างกายแยกร่างทุกส่วนหรือว่าเอาพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งเช่นผมก็พิจารณาผมอย่างเดียวครับ อ, อ๋อก็ต้องเห็นทั้ง32อาการจะได้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแนะ่ มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ั้มตัวเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าหรืออยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บหรือเปล่าเวลาคนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราเราเป็นผมอันี้ก็ต้องหายไปแต่เวลาคนผมแล้วเราก็ยังอยู่ใช่ถ้าเราค้นไปอาการสามสิบสองเวลาเสีย อ, ยอาการใดอาการหนึ่งไปเราก็ยังอยู่เพราะเราไม่ได้เป็นหน้าอาการสามสิบสองนี้เราก็จะได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราก็จะได้โปร่งได้ปล่อยได้แล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปร่างกายนี้เหมือนเหมือนก้อนก้อนน้าแข็งไงพอเอามาจากตู้เย็นวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้ำร่างกายนี้พอมันไม่หายใจเดี๋ยวมันก็มันเหมือนเดียวมันก็ละลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป คำถามจากคุณทักษณาค่ะการส่งเสียให้บุตรเรียนถือว่าได้ทำบุญหรือเปล่าครับก็ได้เป็นการให้วิทยาทานคำถามจากในอินบ็อกซ์คำถามจากคุณอาทิตย์ผมทำกรรมาฐานมานานหลายปีมีความคิดว่าไม่ก้าวหน้าปัญหาก็คือว่าจะไปได้แค่ชานสามที่พอจะทราบเป็นชานสามก็เพราะไม่มี วิดตกติจาร์พอมาถึงช่วงนี้ร่างกายจะสั่นจะหมุนจะเหวี่ยงสารพัดบางทีออกท้าออกทางยกแขนซ้ายยกแขนขวาเหมือนอาการปุกพระมีทีแรกคิดว่าเป็นปิติแต่มาถึงตอนนี้จะเหวี่ยงจนจิตดุดจากความสงบถามหลายอาจารย์หลายสำนักแล้วก็ไม่ได้ความกระจากและก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอความการุณะพระอาจารย์ชี้แนะในการปฏิบัติด้ครับ ถ้านั่งแบบไม่มีลมไม่ดูลมไม่มีพุโทโธมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้ขึ้นมานั่งเฉยๆไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้ต้องดูลมหายใจไปหรือต้องพุโทโธพุโทโธไปแล้วอาการเหล่านี้มันจะไม่มีมันจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งไปแล้วขี้เกียจพุโทโธนั่งไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นมางั้นในเวลานั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่เข้าสู่ ดูเบขาเข้าสู่ความสงบนี้อย่าหยุดพุโทโธอย่าหยุดดูลมหายใจดูต่อไปพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วนิ่งสงบแล้วตอนนั้นแหละมันก็จะถึงขั้นขั้นที่สจิตก็จะนิ่งสงบจะอยู่เฉยๆได้ยังมีความสุขเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใ จ, จ ไ, ไ, ไม่ไปแล้วนั่นแหละไปจุดหมายปลายทางถ้าเป็นรถรถเมย์ก็ถึงสัตะ สถานีแลนะวบ อ, ข อ, อกขสเอกไมแล้วก็ลงจากรถนะก็บังคูบาจารย์บอกว่าให้เจริญเสร็จให้ตัดกิเลสย่างอันตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องการจะสร้างกําลังก่อนเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลาหลับแล้วเราจะตื่นเราจะปลูกให้คนหลับตื่นขึ้นมาปะปล่อยให้เขาหลับให้พอก่อนสิให้เขาพักผ่อนให้พอแล้วก็พักผ่อนนอนอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเองพอตื่นแล้วทีนี้มาเจริญปัญญาต่อ เวลาจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรอย่าไปปลุกมันอย่าไปดึงมันมาคิดอะไรให้มันนิ่งเฉยๆนานๆพราะ น, นี่เป็นกําลังของจิตที่เราไปต่อสู้กับกิเลสความนิ่งนี่แหละเป็นอาวุธที่เราจะชนะใช้ฆ่ากิเลสได้พอเรามีความนิ่งมีกําลังแล้วพอจิตออกจากความสงบแล้วมันเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้มาเจริญปัญญาให้คิดถึงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเรา ก็เราจะได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆเวลาอยากได้เงินก็บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรามีมีสมาธิมีความนิ่งแล้วก็ไม่ไม่ไปทำตามความอยากได้ถ้าปัญญาบอกว่าอย่าไปทำ อ, อย่าไปมีแฟนมีแฟนแล้วทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเรามีสมาธิมีกำลังสมาธิเราก็จะหยุดความอยากที่จะไปมีแฟนได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่ บอกอยากได้อะไรปั๊บต้องไปทันทีเลยใช่ไหมนี่ถึงหมอให้นั่งสมาธินานๆจิตจะได้มีสมาธิมากๆ ม, มีความสงบมากๆแล้วเวลาออกจากความสงบมาเราจะได้ใช้ความสงบที่เราสร้างไว้ในใจเนี่ยต่อสู้กับความอยากต่อไปเวลาที่เราใช้ปัญญามาห้ามความอยากมาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากเท่ากับการไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุข เอาข้อกแล้วกันเนะี่ยคำถามจากคุณนุกผมยิ่งภาวนาไปทําไมรู้สึกว่าจิตยิ่งเศ้าหมองเป็นกิเลสหลอกจิตหรือเปล่าครับเพราะเราภาวนาไม่เป็นนี่เพราะเราไม่ใช้สตินถ้าใช้สติแล้วมันจะสงบมันจะสบายมันจะมีความสุขเวลาที่เราไม่มีสติมันจะมันก็จะคิดคิดแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์ที่เศร้าหมองขึ้นมาเน้นเราถึงบอกทุกครั้งเลยว่าสตินี้สําคัญมาก ต้องมีพุโทโธคอยกำกับใจเราตลอดเวลาแล้วมันจะไม่สามารถไปคิดไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆได้ถ้าเรารู้สึกไม่ดีก็รีบพุโทโธเลยแสดงว่าเหมือนกับรถที่เราปล่อยเบรคพอเราไม่เหยียบเบรครถมันก็ไหลมันก็วิ่งไปถ้าเราต้องการรถให้มันจอดนิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรคถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งไม่ผลิตอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปกิเลสมันก็ฉลาดบางทีมันหลอกให้เรา คิดแล้วพอดีอารมณ์ดีเราก็เลยติดใจคิดใหญ่เลยนี่พอเราเผลอมันก็เลยดอกให้เราไปคิดในทางอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็เลยเศร้าหมองขึ้นมายังต้องระวังว่าเวลาเกิดอารมณ์ดีนี่อย่าไปหลงเพราะเดี๋ยวมันจะพลิกกลับเป็นอารมณ์ไม่ดีได้อย่าไปเอาทั้งอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ไม่ดีเอาอยู่แบบไม่มีอารมณ์ดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอาแล้วนะ ทดลองนะเชิญรับคำถามจากทงางนกองนะครับผู้ที่ปาาา่าศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าไหอะไครต้องทําอย่างไรเพื่อจับของผ่าครับก็มันมันเข้าวัดเนี่ยมันปฏิบัติธรรมทาบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปถ้าชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อไปเวลามาเกิดไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีของเก่าติดตัวไปใช้เป็นการสร้าง ตัวให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะก็ดีไหมอุจารานเข้ามาสาธุค่ะสา ธ, สาธุสาธุสาธุค่ะ Thank you How are you, ชาลัน We have to go now See you later tomorrow เอาละนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้